นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูชัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูชัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูช <c oughs> ัสเอามือลงมือลงเดี๋ยวมันจะเมื่อยอนั่งทาสบาย เชิญแล้วเชิญอาจารย์แล้วพวกเราต้องเงียบแล้วทีนี้รัตนาเขาเรียกว่าเชิญนะพวกเราเอาเชิญท่านพูดแล้วทีนี้เราก็ต้องหยุดพูดนะเอา้าวางไว้ทโทรศัพท์เลยทีนี้วางทโทรศัพท์ถ้าถ้าจับทโทรศัพท์อาจารย์รู้สึกเลยนะรู้สึกว่าไม่อยากฟังเลย ถ้าไม่อยากฟังมันก็พูดยากยากนะพวกเราไม่แต่คนเดียวนะคือจิตมันไม่ไม่อยากฟังแล้วก็คนพูดก็ไม่จบมันก็เมื่อยใช่ไหมพูดได้เกิดประโยชน์ใช่ไหมล่ะเห็นไหมวันนี้จะมาจะพาอธิษฐานนะพาอธิษฐานปกติพวกเราคําว่าอธิษฐานพวกเรา ความเข้าใจที่ส่วนมากใช่ไหมไปอธิษฐานจิตใช่ไหมไปทาบุญก็อธิษฐานนะอธิษฐานให้ได้เป็นอย่างนงั้นอย่างนี้ไปที่ไหนก็ช่างไปอธิษฐานใช่ไหมแต่ความหมายอธิษฐานมันไม่เหมือนที่ความที่พวกเราเข้าใจกันนะอธิษฐานแต่ว่าฐานที่ตั้งอย่างนี้เนะี่ยเออฐานนี่น่ะถ้าอธิษฐานทำคือทำที่ครตั้งไว้ในจิตเขาเขากะไม้ความว่าอย่างนั้นนะ ไม่ต้องไม่ได้หมายถึงว่าอธิษฐานให้เป็นให้ได้สิ่งนั้นให้ได้สิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะทําไมต้งบอกว่าอย่างนั้นมันมีข้อหนึ่งยังไงพวกเราเนีว่าเนี่ ย, ยตมาเห็นพวกเราใสบาตโอ้สบาตเยอะมากทุกแห่งเลยนะพวกเรานะเออคิดว่าทําบุญเนี่ยชมรมนี่ก็ตั้งมาตั้งนานแล้วสามเียวก็ปีคืออย่างนี้นะทำบุญสบาตเยอะมากเออ เราคิดว่าราได้บุญเฉพาะให้ทานเช่นนั้นหรือพวกเราคิดว่าจะให้ทานจะได้บุญเช่นั้นเลยนะนี่แหละอยากจะถามอยากจะถามพวกเราว่าสิ่งที่มันจะเป็นบุญมันเฉพาะเป็นที่การให้ทานเช่นั้นหรือนะรักษาศีลก็เป็นเป็นบุญเหมือนกันไม่ใช่หรือแล้วเราพวกเราได้ทำกันไหม จริงๆนะพวกเรานะจริงๆแล้วพุทธศาสนาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็พุทธศาสนาแม้แต่การแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรารู้แล้วเราปฏิบัติมันจึงจะเกิดผลนะถ้าเรารู้ไม่ปฏิบัติมันก็จะรู้เท่าไหรก่ก็ไม่มีไม่มีมีผลเลยว่างั้นเถอะศีลอย่างเงี้ยนะขอโทษนะศีลที่พวเรารัตนากัรทุกที่ทุกแห่งทุกการถ้าจะเป็นงานบุญงานบวชอะไรต่างๆก็ต้องมีการรัตนาศีล น, นั้นแหละทีนี้พวกเราได้ทําจริงไหมอย่างเงี้ย เนี่ยมันมีข้อหนึ่งในเรื่องอารที่ฐานนี่นะเขาเรียกว่าสัจจา น, นนฮะเออเรารักษากันไหมเนี่ยรักษาศีงก็คือรักษาจริงนะพุทธเจ้าตอน ต, อตรัสรพุทธเจ้าอแสดงคำเนี่ยเงื่อนหมายถึงว่าให้พวกฟังทาตามนะให้ทานก็ดีได้บรรลุจริงไหมขอโทษนะพวกเราอาจจะได้บรรลุก็ได้เรื่องให้ทานรักษาศีงเนี่ยนะรักษาได้บรรลุไหมเคยจะพ่ะศีงห้าแค่นั้นเองนะพวกเรานะี่ยไม่ใช่ศีงอะไรนะ การความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกุลถึงกุนตนพงไพรขคงได้ดีเห็นไหมรู้แค่ว่ารู้รักษาสิล น, นี้นแต่เราต้องทำมันให้ขึ้นถึงจะเกิดผลจริงๆนะถ้าไม่ทำก็ลุ่มลุ่มดนๆนหรือว่าเอาเฉพาะตอนที่สมาทานอย่างนี้นะมันก็จะไม่เกิดผลจะไม่ในหน้าที่สูงการรักษาสินเลยว่างัน้นเถอะการรักษาสินห้านี่แหละ นะลองดูดิวพวกเราลองไปบวชลองดูดินึนเกเจนะนิสงสิเลนะสุกติงยันติสิเลนโะโพกัษมวทาครูบาอาจารย์ท่านให้สินท่านสรุปอย่างนี้นะสิเล น, น, น, นะลนิพุติงยันตินะอ้าวสิเลนะอโพสัมมวามันมีภพกัพย์ได้ไงไรสิเลนะสุกติงยันติมันมีความสุขได้อย่างไรอย่างนี้นะถ้าเราไม่ทําเราจะไม่เห็นเลย ใช่เลยนะนี่ปูติง่งยันติการที่จะทําสมาธิภาวนาได้ก็ต้องผ่านแต่การศีล น, นั่นแหละออไปคดไปโกงหรือว่าไปทำํทำทําผิดศีลผิดธรรมมาจะวิ่งเข้าไปในโบสถออ์โบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรก็ช่างมันก็ไม่สงบอยู่ที่นั่นเลยเข้าใจไหมจะถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ยากกับการที่ทําสมาธิใช่ไหมจะ เ, เป็นทานก็ดีศีลก็ดีเนะี่ะรักษาไหมอย่างนี้นะไปทําจริงไหม อันนี้มาเป็นข้อถามนะพราเราลองเช็คดูนะเพราะว่าเราศึกษาพุทธศาสนาเยอะนานมากเลยนะนานภาวนาทีเนี้ยเอาภาวนานี่อันนี้ไม่พูดไม่ได้พูดหลักนะเพราะเราขอโทษนะหลักจริงจพูดถึงเรื่องอธิษฐานทำนะภาวนาแปลว่าเจริญนะแล้วอตามาก็มีคําแย้งในเรื่องของโยมที่จะมาบอกว่าไม่มีเวลาภาวนา เออฟังให้ดีนะพวกเรามันบุญมากมากทานมันก็บุญได้ได้ระดับหนึ่งนะทานท่านบอกว่าให้ทานร้อยครั้งถึงจะเท่ากับการรักษาศีลซึ่งบริสุทธิ์วันเดียวนะศีลห้า น, นี่แหละเอาลองดูงเจ้าพวกเราถ้าเราพวกเราจะได้บุญมันจะไม่ได้เยอะหรอเอาทำบุญตั้งรอยครั้งนะร้อยวัดนะไม่สู้กับรักษาศีลวันเดียวไม่ได้รักษาศีลห้านะ เลยรักษาสินห้ารอ้นะรอยวันนะร้อยวันนะท่านเปรียบเท่ากับนั่งสมาธิเนี่ยจิตสงบเท่าช้างพับหูงูแลบลิ้นหนึ่งเงี้ยแลบลิ้นก็แผลบเดินในงูนั่นนะช้างพับหูถ้ายังไงมัอนอาจะเร็วหน่อยช้างมันมันมันใหญ่หูใหญ่มันก็วาบหนึ่งไงนั่นแหละถ้ากิตเราสงบแค่นั้นแหละน่นว่าทําบุญพันครั้งเลยนะพวกเรานะนี่แหละสิ่งนี้แหละที่ว่า เราได้ทําสมบูรณ์ไหมอย่างนี้นะเออทีน่นี้อาจารย์บอกอาารบอกว่าอาจารย์ว่าเรามีไม่มีเวลาภาวนาะมาเห็นเวลาเยอะมากเลยนะเวลาภาวนาเยอะมากโลวกว่างเยอะด้วยเอาว่างเยอะมากก็วันนี้คนทุกวันเนี้ว่างทุกเพศทุกวัยทุกวัยเลยนะพวกเรานะเถียงอาจารย์นี่เถียงในใจเด้ ว่างมากเยอกจริงๆเลยแตมาเห็นว่าเราว่างเยอะไม่มีเวลาพอนานหรอกอาจารย์ไม่มีเวลาไปวัดไปว่าไม่มีเวลาพอนาแต่ว่าเวลาพอนาไม่ได้หมายถึงไปวัดว่างยังไงรู้ไหมพวกเราขอโทษนะขอโทษเราเล่นเราดูโทรศัพท์นี่แสดงว่าเราว่างใช่ไหมถึงดูได้ใช่ไหมยิ้มแล้วยิ้มใช่ไหแสดงว่ามันว่างถึงดูโทรศัพท์ได้แต่การดูลมหายใจนี่ไม่ต้องมาเอามาดูหรอกไม่ต้องไปชาร์จแบต ก็รู้จับมันต้องไปชาร์จแบบเหมันต้องไปดูไปกดแต่ว่าลมหายใจนี่ไม่ต้องกดไม่ต้องไปชาร์จนี่แหละเวลาว่างน่ะพวกเราเราชาวพุทธคิดว่าเป็นเป็นปุลเป็นกระสุนแล้วไม่ใช่หรือในเมื่อมันเป็นบุญเป็นกระสุนแล้วเราทําไมไม่ทำอย่างนี้นะเนี่ยจะมาคุยกับโยมเมื่อเช้าเนี่ยนะผลของการปฏิบัติไม่ได้เพื่ออะไรนะพวกเราเพื่อพวกเราเพื่อเราเท่าทุกนี่แหละเพื่อบันเท่าทุกเพื่อคนทุกนี่แหละ เพราะเราทุกอย่างอนี่สร้างอะไรขึ้นมานะอยากจะเป็นอะไรฟังให้ดีนะ อ, อยากจะเรียนหนังสือพ่อแม่ก็อยากจะให้เรียนสถาบันดีๆอย่างครับเ้าเรียนดีๆได้เรียนแล้วออจบแล้วนะได้เรียนดีก็คือความหวังแล้วพวกเราคิดว่าเรียนตั้งใจเรียนเหมือนที่อยากได้ไหมก็ไม่รู้ล่ะนะพอได้แล้วเมื่อช้ายัึงถามเด็กกันเลยเด็กทิจุลาเนี่ยนะนะ ถามว่าค น, น, นได้เรียนแล้วคนตั้งใจเรียนกับเล่นในม่านขอกันลูกอืมเพื่อนรู้สึกจะเล่นมากกว่าแน่แสดงว่าไม่คือลืมลืมหมดเลยไม่มีสจระเลยให้เรียนก็ไม่เตียนเต็มที่อยากจะเรียนแล้วนะเข้าเรียนเอาจบแล้วจบแล้ ว, ลวอยากจะทํางานได้ทํางานแล้วทํางานเต็มที่ไหมอย่างนี้นะพวกเราแปลกแปกนะถ้าทํางานไม่เต็มที่อยากอยากแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วแต่ไม่ทําเต็มที่เอออันนี้นี่ขอโทษคนหมายถึงทางโลกนะ ท่านในทางทำทีเนี้ยในเมื่อเราเป็นชาวพุทธแท้ๆ แ, แล้วอย่างงี้นะ uhm? เวลาภาวนา น, NI, น, นี่อันนี้อัี้เป็นเวลาได้ง่ายที่เป็นง่ายที่สุดในโลกเลยนะพวกเรานะง่ายที่สุดในโลกแล้วก็ยากที่สุดในโลกก็คือเรื่องของการทําสมาธินี่แหละแต่ว่ามันเป็นบุญมากที่จะมาพูดกลื่อนี้ฟังแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเนะี่ยปัญหาต่างๆมันเกิดจากความคิดนะปัญหาต่างๆมันเกิดจากความคิดเราหยุดคิดได้ก็แสดงว่าเราหยุดปัญหาเราหยุดคิดได้จะแสดงว่าเราหยุดทุกข์เราคิดสิบนาที เราก็ทุกสิบนาทีนั่นแหละไม่มาคิดดีคิดชั่วนะเลยนะนะคิดสิบนาทีก็ทุกสิบนาทีถ้าเราหยุดคิดสองนาทีแสดงว่าเราทุกแปดนาทีเองนะเมื่อเช้าหนึคุยกับโยมโยนะนอนหลับตอนนัามาม้นมันมีความสุ ข, ขอันนี้พูดเยอะนะพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีเวลามีความสุขเขาบอกเราที่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีความสุขที่ยาวนานที่สุดก็คือการนอนหลับ ทำไมมันมีความสุขเพราะมันไม่ได้คิดเออมันไม่ได้คิดแล้วมันมีความสุขเรามีชอยให้เลือกอีกว่าเวลาหลับหลับสนิทกับเราหลับไม่สนิทเนี่ยหลับสนิทกับไม่หลับไม่สนิทหลับฝันอ่ะในมีความสุขมากกว่ากันหลับสนิทอ้าวเออเห็นไหมพวกเรา เทคนิคี่จริงแล้วที่จริงแล้วความคิดทั้งหลายนะมันเป็นสาเหตุของความทุกข์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นข้อเปรียบเทียบไงพอจะมาเปรียบเทียบฟังเออก็เห็นชัดเลยว่าออคนนอนหลับมันมีความสุขยิ่งหลับสนทิทโอ้ยมันมีความสุขมากเนี่ยแล้วทําไมเราอยู่ปกติแล้วไม่เห็นความคิดว่าความเป็นคิดเป็นความทุกข์อะ แล้วทำไมไม่เห็นว่าความคิดเป็นความทุกข์อ้าวพวกว่าเราไม่มีข้อเปรียบเทียบยังไม่มีใครพูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างงี้อย่างนี้นะไอคนที่ป่วยที่เขาเป็นปวดไมเกรนก็ดีเป็นโรคกระเพาะก็ดีเป็นโรค ป, ป, ป, ป, ประสาทก็ดีคือคุณคิดมากแหมก็แสดงว่าปัญหามันเกิดจากความคิดแล้วทำไมเราจะหยุดคิดไม่ได้บ้างเลยเดี๋ละ ว, วันละ ว, ว, วันอย่างนี้นะสิ่งที่ทำกับสิ่งที่คิดอะไรมากกว่ากันวิจะ น, นะพวกเรานะที่พวกเราคิดกันตั้งความนี้นะ แต่สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยนะอันไหนมากกว่ากันช <c oughs> ิดมากกว่าทําแล้วเราจะคิดทําไมตัวนี้เอาลังดูนะพวกเรานะนี่เนี่ยเรื่องของเราแท้ๆนี่แหละเรื่องของเราแท้ๆนี่แหละซึ่งมันอยู่กับตัวเราพระพุทธเจ้าท่าสอนนะไม่ใช่ตัมมาพูดนะแต่ตัมมามาพูดปภาษาพวกเราให้ฟังยิ่งเฉยนะมาพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังเฉยว่าไอ <c oughs> ้สิ่งที่เราคิดมันก็ไม่ได้ทํานี่ทำไมมันคิดเยอะและเกินอย่างนี้นะฟุ้งเฟยไหม คือการคิดเพวกเราคิดว่าทํางานไหมไมันเป็นการทํางานนะแต่ถ้าคิดธําราคิดว่าไม่เป็นพวกไม่ไม่มีโทษไงแต่อยากจะให้เห็นโทษก็คือคิดมากนั่นแหละแสดงว่ามันมีโทษอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเฉยๆถ้าพอเราไม่คิดทีนี้ยเอาแค่บอกว่าหลับฝันมากกับหลับสนิทเนี่ยอันนั้นมีความสุขมากกว่ากันพวกเราก็ตอบไปแล้วออเนี่ยแสดงว่าไอ้การที่ไม่คิดเนี่ยนอะ มันเป็นที่สุดของความสุขนี่ใช่ไหมในเรื่องภาวนาทําไมเรื่องทําไมมีเวลาภาวนาได้ อ, อทําไมเรื่องบอกว่ามีเวลาเยอะอุ้ยก็พราเราดูโทรศัพท์ไงนะดมาดูหนังสือพิมพ์แท้ๆนะพวกเรานะขอโทษนะเมื่อก่อนมีหนังสือพิมพ์ไปบินอ ย, อยู่กยิงวัดตลาดเมื่อก่อนบินบลาดตลาดเขาถวายหนังสือพิมพ์สองฉบับสองฉบับทุวกวันมาก็ดูนิดหนึ่งดูตอนที่เขาจัดอาหารเนี่ยรอ อ่านหนังสือที่เป็นหนังสืออ่าคอลัมน์ด้วยนะที่เป็นเรื่องราวเนี่ยนะอ่านไปเห็นไปมันก็หายแล้วทําไมตากับจมูกมันใกล้กันไงเอาตามันมองมันผ่านจมูกก็ก็เห็นลมหายใจแล้วพออ่านไปมันก็ไม่เห็นแล้วไม่รู้แล้วอ่านไม่รู้เรื่องแล้วต้องมาเจอกับลมหายใจอย่างเงี้ยมาพวกนี้เพื่อนฟังเพื่อนไม่เชื่อจานชี้โม้แล้วว่างั้นทําไมยังต้องมีสมาธิตลอดเวลาขนาดนั้นว่างั้น เราก็ลองดูคุณทําอะไรคุณก็มีกําหนดลมให้ใจนั่นนะกาหนดตลอดเวลานะ อ, อ, อาจารย์กําหนดตลอดเวลาจะทําได้เลยขับรถนะพวกเราอันตรายไหมขับรถพวกเราคิดว่ามีสติถึงสิบเปอร์เซ็นต์ไหมคุยโทรศัพท์ได้ใช่ไหมด่ากันก็ได้นะคุยโทรศัพท์รถเนี่ยนะคุยเข้างมือเดียร์ด่ากันก็ได้ด้วยมีอารมณ์กับภายนอกก็ได้ด้วยบางทีนี่กินเหล้าหน่อยนะโจ้โจ้หนึ่เคาะพง ม, มันอะไรก็มีใช่ไหมทําไมทําได้ จริงๆแล้วเราใช้แค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็น์เองนะมีจิตที่จะขับเลยนะถ้าเราตั้งใจจริงๆนะเราจะรู้เันมทีเลยคนที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนาะกับลมตลอดๆเนี่ยนะพอลงพอมีทางแยกมีไฟแดงแค่นี้นแหละเขาจะรู้ลมเันมทีเลยนะจะรู้ลมไม่ใช่ออกกูเบาสบายตอนแรกก็าคิดว่าอาจารย์ส่งจิตมาเตือนเขาพอเอปิดไปล้วเอาแล้วรู้ลมมาใจรู้ลมเมื่อใจรู้หนะักเข้าหนะักเข้าแต น, นีนี่โอ๊ยไม่ติดหัวใจ ใจเต้นเนี้ยวันเนี้ยพอโยมออกมาป้าประจันนั่งหลับตายอย่างนั้นแหละโอ้โหใจเต้นแรงมากหลังจากฉั้นเข้าเสร็จมันเสหัวใจเต้นแรงนะนี่คือหมายถึงว่าจำแงแสดงว่าเราทําอะไรก็มีสมาธิได้นี่ทําได้หมดเลยเออารังค้อยล้างชามปัดกวาดเที่ถูจิตไม่ได้อยู่กับล้างควอยล้างชามปัดกวาดเที่ถูนะจิตคิดไปเรื่อยเปื่อยอย่นี้นะถ้าทําอะไรอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสมาธิเราก็จะรู้ทันทีว่าโอ้อความสุขมันคือคาาการจัก จากสมาธิจริงๆอย่างนี้นะแต่ที่นี้ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลนะพวกเรานะอันนี้แหละที่มาอยากจะพูดว่าเออจริงๆแล้วเราศึกษามาเยอะเราต้องทำจริงไหมอย่างเงี้ยนะมาว่าถ้าขอขอเวลาสักนิดหนึ่งนะแบ่งกันนะแบ่งจากการดูโทรศัพท์มาดูลมห้ใจสักครึ่งนึงเลยนะครึ่งต่อครึ่งนะเห็นผลเลยนะจริงไหม เดูขนาดไหนพวกเราดูขนาด ด, นาดิดูโทรศัพท์เลยนะขนาดนั่งอยู่หน้ า, า ก, กันก็ยังดูงานเธอมาเฮ้ยอะไรเยะนขนาดนั้นอย่างเงี้ยนะถ้าเอาเวลานั้นทํำไมมาพูดอย่างงานอ๋อจริงๆแล้วมันดูลมให้ใจเหมือนกับดูโทรศัพทนะ์ม่ะเนี่ยดูโทรศัพท์พวกเราดูกันนะแต่จริงๆดูโทรศัพท์ดูลมให้ใจมันเป็นอย่างไนมันเป็นอัตโนมัติจะรู้ลมอัตโนมัติเลยพอรู้เป็นอัตโ น, นมัติถ้าอัตโนมัติเมื่อไหร่ไม่ต้องพูดแล้วทีเนี้ยนะถ้ารู้ลมอัตโนมัติเมื่อไหร่ไม่ต้องพูดเลย ท่านเรียกว่าอาณาปานาสติยัตสปะริปุณนาสุภาวิตากายุปิอานิกิโตโหปิจิตตมปิโหติอานิกตังระลึกสติไปว่าระลึกรู้ลมหายใจเข้าเข้าใจออกอาณาปานไปว่าหายใจเข้าหาใจออกปริปุนาผู้ใดทําให้บริบูรณ์แล้วทั้งกายทั้งจิตย่อมไม่วันไหวลองดูเจ้าบนเราแค่รู้ลมหายใจเข้าออกเป็นปริบปุนจนนั้นน่ะทั้งกายทั้งจิตย่อมไม่วันไหว ใครไม่หวั่นไหวอ่ะถ้าเป็นบริบูรณ์แล้วนะใครไม่ไหวก็คือพระอระหันต์ในกายก็ไม่ไหวั่นไหวจิตก็ไม่ไหวั่นไหวพระอระหันต์เลยนะพวกเรานะอันนี้หลักฐานนะไม่ใช่พูดเองนะอาณาปานาัตติอะปริปุนาสุภาวิตาไกาปีนี้กี่ตัวขีกินแต่ปีโหกตีนี้กี่ตังอาณาปานัตติอันผู้ใดไม่ทําให้บริบูรณ์แล้วทั้งกายทั้งจิตย่อมหวั่นไหวท่านว่าอย่างนี้นะเอออันนี้นี่ขอให้ทบทวนนิดนึงว่าเออทางต้องสละก ไม่ใช่เสียแต่น้อยที่เอาได้มากลองดูดิเสียแต่น้อยที่เอาได้มากวันนี้ซื้อหวยเท่าไหร่วันเนี้ยฮะวันนี้ซื้อหวยเท่าไหร่วันนี้นะอ้าววันวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเนี่ยซื้อหวยเท่าไหร่แล้วทําบุญเท่าไหร่ถ้าบอกว่าเป็นชาวพุทธต้องซื้อหวยน้อยกว่าทําบุญใช่ไหมนี่เราเรียกว่าบรรลุไหมตมาเป็นคนมีความรู้น้อยนะเอามาก็จะพูดเรื่องเหล่านี้แหละ พูดเรื่องที่บเราได้ยินนี่แหละซื้อหวยเท่าไรอ่าซื้อหวยสองร้อยท่ามูลเท่าไหรยี่สิบาทเราลองเราเชื่อพระเจ้าหรือเชื่ออะไรกันแน่ เ, เนี่ยเอ้าพวกเราในอมยิ้มเลยแหะพวกเราเชื่อพระเจ้าหรือเชื่ออะไรเชื่อเกลียดเหร อ, เ, อเห็นไหมพวกเราแปลกไหมคิดแต่น้อยเข้าได้มากจะได้ว่าเราไม่เชื่อให้ทานไปว่าการสละนะไม่ใช่อยากได้อยากได้มันเป็นโลภมันเป็นความโลภ โลภแปลว่าอกุสน ล, ลมูลเป็นมูลเหี้ของความชั่วนะโลภนี่คืออยากได้เนี่ยก็พวกเราอยากได้โลภหรือยากได้ของเขานะี่ยก็เรียกว่าโลภะแปลว่าเป็นอกุศ ล, ละมูลเป็นมูลเหี้ของความชั่วเอเมัไหทีนี้เราให้ทานกับความโลภันเยอะกว่าให้ทานแสดงว่าเราไม่เชื่อพระเจ้าเลยนะถ้าให้ทานก็คือให้ทานอถ้าจะเสี่ยงโชคยิงกว่กาสักนิดหนึงสาิเอร์เ็นตอย่างเี้ยนะจำวนเจ็ดสิบปเ็นก็ยังชั่ว องเงี้นะพวกเราเห็นไหมอันต้รู้รกระจ่างไปอย่างเดียวนะี่เออการให้ทันไม่ใช่การอยากได้นี่การให้ทันมีผลสองอย่างเลยนะผลอะไรคือคือหนึ่ง อ, อันอันดับต้นๆก็คือระหวังหวังได้บุญได้กุศลได้อะไรมาทรัพย์สมบัติคืนมาเจริญใช่ไหมละ่ะสองคือการสละเนาะจริงๆเป็นการสละแต่ว่าการที่อยากได้กการสละมันต่างกันนะการสละเฉยๆเหมือนกับไม่ได้แต่สิ่งที่สละนั้นได้คืนมา การสละการชาคข่จริงกลับได้คืนมาแต่เราทําบุญเพื่ออยากจะได้นี่กลับไม่ได้นะเพราะทําด้วยความอยากเนี้อยากไม่ได้โดอนนั้นแต่เป็นการฝากไว้เฉยได้อยู่แต่ว่าจะไม่ได้โดอนนั้นแต่ถ้าเราให้ด้วยการสละจริงๆนั้นได้คืนมาเลยะเราไปทําดูไม่เชื่อนะถ้ามีโอกาสจะค่อยพูดละเอียดมันใช้เวลาน้อยนะรักษาศีลก็เหมือนกันทําไมบอกว่าศีลหนึ่งสุกตียัติก็พวกเราลองพิจารณาโดยจะไปบวชลองดูเดย คนนุ่มกินเหล้าเมายาลงลงไปบวชลงดูดิอาจารย์ทําไมเสลีระศักดิ์จริยงยันตีเสลีนุพสัพพทาผมเพิ่งเข้าใจเดือนนี้เองอ น, นี้ลูกศิษย์นะทําไมอ่ะสุขภาพพอดีไงเสลีระศักดิ์จริยงยันตีไม่ได้กินเหล้าสุขภาพไม่ดีเหรอคนอ้วนก็ผอมเนาะไม่ถึงเดือนไหนหมดไปก็ไม่ลู้เกือบสิบกิโลแล้วอยู่วัดอย่างนี้นะหุ่นจะเท่ากันหมดเลยนะยต้องหนักลดเพราะฉันเข้าวมือเดียวไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาเสลีนุพลก็สมาทาโอ้โหอาจารย์ เงินเดือนสามหมื่นเดนนี้มันเหลืออยู่สามหมเออถ้าอยู่บ้านไปไงก็จะเล่าไงกินเบียร์ว่างั้นหมดไหมล่ะไม่ขี่ก็มั่นกันไม่ ก, มกินในบทไม่ได้ไม่ได้เสียเงินเออหมดแล้วเป็น ไ, ปไงสามเดืนอนนเงินเหลือแต่ถ้าอยู่ทางโลกแล้วทำงานหนึ่ไม่เหลือโอ้โหสิ่นี้ป้องกันทุกอย่างจริงๆริงนะอาจารย์มันยงมีสุขภาพดีด้วยแล้วก็มีพวกขัพย์ชับในโฟราเชิญไห ม, เ, ไหมเออ ี่เรียนไม่มีตกกังวลอะไรเลยอยูม่มีความสุขมากลูกที่ไปทํางานหรือ ว, ว่าไปเรียนที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะพ่ออยู่ต่างจังหวัดเพราะลูกมาเรียนที่กรุงเทพอย่างเงี้ยพ่อแม่เป็นทุกข์นะพี่ตกกังวล น, นะเป็นห่วงนะถึงมแม่ไม่นั่งกระช่างก็ออกจากบ้านเถอะเป็นทุกข์กันทีเลยแต่ถ้าลูกบวชนะพรวแม่ทุกข์ไหมไหวทุกข์ไม่กังวลเลยนะพวกเราพ่อแม่ได้บุญด้วยเพราะตามมาทําบุญ นี่ยทำบุญทุกวันนะ่ะนะถ้าลูกศึกก็สึกทุกึกด้วยนะเละเนี่ยลึกศึกก็สึกเลยจริงๆเลยลูกศึกนะ่นะนะนี่ศีลสมาธิอย่างลองดูนะลองทําลองดูในเมื่อเราเป็นชาวพุทธทําไมเราไม่ทําเราไม่พิสูจน์อ่ะเออไม่ต้องห่วงว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่รู้พิสูจน์ก่อนว่างั้นเถอะพิสูจน์ก่อนเมื่อเช้าในโยมตอบพวกยๆเลยทําไมเด็กมีสมาธิทําไมฟังดูเรื่องอะ่ะโยมถามไง ก็ไม่คิดจะรู้เรื่องไงได้อาจารย์จะรู้อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่คิดอ่ะอาจารย์มาถามว่าเราตั้งใจฟังนี่นะกับคุณเล่นโทรศัพท์หรือว่าคนคุยกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใครเล่นโทรศัพท์กับคุยกันนี่นะรู้เรื่องไหมฟังอาจารย์รู้เรื่องไหมแล้วคนตั้งใจฟังอ่ะได้คิดไหมรู้เรื่องไหมเอาตั้งใจฟังทําไมรู้เรื่องอ่ะตั้งใจฟังตัวใช่ใช่ทำไมรู้เรื่องอ่ะ เออนั่นแหละไม่ต้องพูดเลยเนี่ยเหมือนเน่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองอะนะรู้ไปหมดเลยอะไรเนี่ยตาลปัดอะไรพุทธรูปเงี้ยรู้ไปหมดเลยนะพวกเรานะี่ยมันมีพวกรู้อยู่แล้วทําไมมันเรื่องเก่าไองมันเรื่องเก่าโกรธเกียจชี้ตังมันเรื่องเก่าที่รูเรื่องเก่าที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเงี้ยนะจต่เพียงแค่ว่าเราไม่เคยหยุดดูเขาเฉยๆโกรธขึ้นมาแล้วก็โกรธตามเขาพอหายโกรธ ก, ก, ก, ก, ก็ไปรักพอรักแล้วก็เวียนอยู่างเงี้ยไม่เคยอยู่เลอ้าเมื่อกี้เราโกรธจะเป็นจะตายมันก็หายแล้วนี่ มันจะมีสตินะเอ้าเมื่อกี้นี่โอ้โหร้อนจะเป็นจะตายแล้วมันหายไปไหนอย่างเงี้ยนะเนี่ยนี่แหละสตินะแต่พอไม่มีปั๊บเข้าไปตามจับเวียนกันอย่างเงี้ยแล้วก็จับอรมณ์นี่จับอรมนี้เวียนอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ย้อนกับไม่ย้อนสักหน่อยเลยว่าเอ้ามันก็ดับแล้วนี่เงี้ยถ้าเราดูอย่างเงี้นะถ้าเรารูอย่างเงี้ยมื่อไรมันพอมันเกิดขึ้นก็เฉยแล้วมันทําไมแล้วมันก็จะดับเหมือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะต่อไปต่อมาก็ถามว่ามีไม้แขกมี แกตมามาอยู่นี่มาเนี่ยมันก็กลับเหมันเดิมยนะอยเนอะเขจะไว้เออแค่นั้นเอง น, นะนี่คือลบยอดให้ฟังนะนี่คือผลกุพภาวนาถามว่าเรามีเวลาภาวนาไหมเยอะมากจำไว้เลยนะ <c oughs> ามีเวลาดูโทรศัพท์ไปเรื่อยว่าเรามีเวลารู้ลมไายใจก็ออกอันนี้มันเป็นบุญเรามันเป็นบุญอย่างมากเลยทีนี้ที่ตมาว่าสิ่งที่จะทําให้สําเร็จผลเนี่ยเนะีไม่ก็มีธรรมสี่ประการนี้ก็มีปัญญา เออมีปัญญาถ้ามีปัญญาก็รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้อะไรที่สมควรไม่สมควรใช่ไหมล่ะนะรู้มีปัญญานะแล้วทําไงเดี๋นี้ยการจะได้ปัญญามาจากไหนก็นี่ไงการศึกษานี่ไงเออจากศึกษาจำตับกำรับตราก็ดีจากครูบาอาจารย์ก็ดีจากการสนทนากับครูบาอาจารย์ก็ดีอย่างนี้แหะนะเกิดปัญญาถ้าเมือปัญญาก็มีความมคือให้มีในใจแลว้วเวลาน่ะเออมีปัญญามันแก้ปัญหาได้มีปัญญาก็ปีผิดมี คนทุกได้อย่างนี้นะนะสัจจะเนี้ยเนี่ยเห็นไหม้วพูดก็พูดไปเฉยเฉยพาก็่าไปเฉยไม่ตั้งใจจริงจริงอย่างนี้นะไม่มีสัจจะมันก็ไม่จะสมัมฤทธิผลทีอันนี้อธิษฐานแล้วนะทําสิ่งที่กัณตั้งไว้ในใจวันนึงมีปัญญามีสัจจะจะประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นอย่างนี้นะนะเ อ, อเราสมาทานศีลแล้วเราก็ต้องรักษาศีลนั่งอย่างเงี้ยเราสม า, าเรากล่าวคําเป็น พุทธังทำมังสังคังเรากล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแล้วนะเราทำไมไม่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งจริงจงอย่างเงี้ยนะะพึ่งอะไรพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เพึ่งอ่าวัตถุต่างๆหรอกเพึ่งนามาทำก็เพึ่งเพึ่อกรรสอนของท่านนั่นเองเอาเรามาปฏิบัติลองดูแม้พวกเรานะไอคนโบราณเนี่ยนะเดี๋ยอย่างรุ่นโยมเนี่ยนะอย่างรุ่นต่อมาแล้มาแก่แล้วนะรุ่นแก่รุ่นเนี้ย บทอาขยานเด็เป็นเด็กนะเอออย่ า, ยากเกลียดค้านการเร่งเร่งหองสา ح, มีวิชามันมีทรัพย์อยู่นะับแฟนจะตกถิ่นทันในคงไม่แคลนถึงรับแขนก็พยยังประทังตนอันความรู้ ร, รู้กระจางเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลได้ไมเออเนี่ยแหละจำมาถึงไม่อยากจะให้พวกเรานั่งสมาธิในเวลาเวลาฟังน่ยจะไม่รู้เรื่องสักพักหนึ่งก็ทาความเาคเารพคำรบเคารพอาจารย์หมดเลยนี่นนะ จริงๆแล้วการเปลี่ยนสไตล์ใหม่แล้วอยากจะพูดให้พวกเราตอบเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เลยนะพอสักพักเองมึงก็แล้วจบแล้วนะเวลาให้ถามว่าถามสิ่งที่ที่อาจารย์พูดไปนั่นแหละเอออาจารย์พูดจบไปแล้วนมาถามหน่ะ น, นะถามว่าถามเรื่องที่อาจารย์พูดไปเฮ้ยตกลงมันยังไงกันเนี่ยไมให้พูดรอบสองรอบสามเงี้ยมาตั้งอยากจะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนสไตล์ใหม่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยพูดหวานไป่รู้เรื่องเนะย อาจารย์ถามเลยเอาเออไอสิ่งที่พวกเราไดกยนิยนได้ฟังพวกวันนี้พวเราทําจริงไหมล่ะเอาอย่างที่ว่าไห น, ห น, หนพวกเราคิดไหมว่าเวลาภาวนาไหนมีมีหรือยัยง<ม>เข้าใจหรือยังว่ามีเวลาภาวนาเยงงอะไหมมันต้องอย่างนี้มึงติ่งมึงถึ่งจะไม่มง่วงเออเหมือนกับเข้าใจนะเหมือนกับเข้าใจแต่ริงไม่ใช่เข้าใจรับ เ อ, อี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเวลาลองดูที่ลองดูนะพวกเรานะลองถ่ายรูปอาจารย์ก็ได้มีคนถ่ายเยอะเลยนะเอารูปอาจารย์ขึ้นหน้าจอพอจะดูโทัพที่อาอาจารย์มา <c oughs> ดูลมหายใจเนี่ยนะนะมันมีคุณมากนะพวกเรานะมีคุณมากจริงๆเลยมีคุนมากเกี่ยวกับความรู้เลยนะเนี่ยอาจารย์มาแปลงสารให้ฟังนะนี่นะอัญญากเกียรติครานการ ความเพียรเร่งบุษบามีวิชาหเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นทันใดคงไม่แคลนถึงครับแขงก็ไปยังกระทางตนอันความรู้อาณาปานแต่อย่างเดียวแต่ให้เชีประชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดทูฟูสกุลถึงคนจนพงไพรคงได้ดีเกิดเป็นเราชาวพุทธสุดวิสัยธรรมใดถ้าไม่รู้ดูบัดสีต้องอับอายขายหน้าทั่วธานีถึงผู้ดีก็ร่อยถอยตระกูลจกตําเตี้ยเสียเชื่อว่าโฉดช้า ชักพาเสื่อมลาบยศสาบศูนย์ทั้งขายหน้าพุทธวงศงประยูนยจะเพิ่มพูนติฉินคำนินทาหนึ่งหนังสือหรือตำรับจะบับบทเป็นของล้วนควรจดจำศึกษาพุทธองค์ทรงสอกแสวงมาหวังให้เราชาวโลกาได้นำพาจะได้ทราบบับบุญทั้งมุนโทษละทุกโศกละจิเลตละตันหาละทิฏฐิมานะละอตาวิราคาวิมุตวิสุดเอ้ย พระพุทธเจ้า ต, าตัดสรูวันที่พรองค์ตรัตรู้เนี่ยตอบอาจารย์เนี่ยที่พระองค์ตต ท, ทำอะไรพระองค์ทำยังไงศึกษาอนาโน้ปีแล้วเนี่ยทายัางไงพระเจ้าทํางไงเอาแล้วสิตกลงไม่ได้จริงๆแหละเนี่ยดูพุะตรูปเนีเออทําไมเราไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นตอนที่พระองค์ พวกศาสนาเกิดนะพระองค์ทําสมาธิแล้วเนี่ยแล้วจะโยม น, มนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเนี่ยนิมนต์ใครพ้าพวกผ้าไหนยังไม่รู้อีกเลยพระครูบาอาจารย์พวกไหน <S <S ป, ฏปฏิบัติอะไรเออสมาธินะท่านสมาธิเป็นหลักนะครูบาอาจารย์ท่านได้เรียนไหมไม่ได้เรียนเลยนะบางองค์ไม่ได้เรียนเลยปรีทรเีก็ไม่ได้เรียนนะักธรรมปรีทรเีกนะ ไม่ใช่บางองค์เเยอะเลยนั่นแหละลูกสายลูกศิลป์ลูกบวมม่น่นนะลูกมมาให้ทาสมาธิกาหนดลมใจด้วยพวทุทโธใช่หมหรือไม่ก็ให้พิจารากายส่วนมากก็หลักก็คือให้กาหนดพุทโธอย่างเดียวนั่นแหละแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้กราบไหว้ทุกวันนี้ทไมต้งครูบาอาจารย์อยู่ได้เพราะมีสมาธิมันมีพลังไม่ใช่อะไรหรอกเออคนทางานเหน็ดเหนื่อยน่นนะ่ะเขาทาไมทาได้ เหนื่อยๆ น, นะแบกข้าวโพดแบกข้าวแบกไลเดินพวกกรรมการกอนแบกหั่มพวกขนปูนขนทรายอะไรต่างๆทำไมเขาทําได้รู้ไหมเขาไม่มีเวลาพักไงเออเอาของจากบาสเส ร, ร็จแล้วว่าเอาขอ ง, ของจากมือก็ก็หายแล้วมันได้พักไงมีการพักเที่ยงไหมพักเที่ยงคือหยุดก็ก็มีกําลังขึ้นมาแล้วหยุดก็มีกําลังขึ้นมาแล้วนะพวกเราเนอะเลิกงานก็เลิกแต่กิจของคนเราเนี่ยมันเคยเลิกงานไหม มันเคยพักเที่ยงไหมเลือกงานไห ม, ไมกลางคืนก็ยังไปฝันต่ออีกอะไรจะขนาดนั้นแหละลงดูที่พวกเราผู้เจ้าต้องรู้สาเหตุถ้าหยุดตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะพวกเราเนี่ยนั่งสมาธิถ้าเรียกว่าอาณาปานนสติระลึรกรู้ลมหาใจเข้าออกลวงปูมันก็ให้ทําไมต้องพูดโทรเราไม่าใจมันละเอียดจิตคนเรามันหยาบให้ไปรู้ลมห้ยใจเข้าออกแล้วมันก็เผลอแล้ว ใช่ไหมขนาดพุทโธพุทวนได้สองคำคำมันไปหนึ่งไหนก็ไม่รู้สิบคำนะเข้าใจไหมแล้วให้ํากับบางองนะพุทโธยังไม่พอยังต้องพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามนะไม่ยังไม่จบยังไม่อะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็มีนะเห็นไหมพวกเราเอาความหยาบมาสู้กับความหยาบแต่ถ้าใครกําหนดลมให้เจ๊หน้ก็กําหนดไม่หยาบเลยทำไมหยาบไหมยิ่งกินบ้านนอกมันนี่มีกิเลสคนสมัยก่อนเนี่ยนะ ไฟฟ้าก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีรถราม่าใช้อะไรนี่เครื่องสิ่งอํายุยนมันไม่มีมันคนทุกวันนี้เอออาตมาก็กำหนดลมให้ใจก็กําหนดลมให้ใจนั้นแค่สองครั้งเองนะสองวันเองนะแค่สองวันนี่ยนะเปลี่ยนชีวิตเลยทําไมมันทําง่ายที่เหลือมันไม่เยอะไงสิ่งมอมมอมมันไม่เยอะทุกวันนี้สามขวบก็ยังเงียบกก็บเลยนะอาจารย์ไปเชื่อูดูไอเด็กทําไมมันเงียบเหลือเกินมันเด็กมาวัด ดูโทรศัพท์โอ้โหแต่พวกได้ยนะพอไปแย่งลงดูได้ี่โอ้โหร้องเลยเนเ น, นะเห็นไหมพวกเรามันเริ่มมาแล้วกิเลสนะสะสมเมื่อก่อนนี้กิเลสพามาแค่สิบตัวสมมุตินะกิเลสพามาสิบตัวจะเพิ่มประมาณทักสองตัวตัวในสิบตัวเพิ่มเท่าไหร่ร้อยร้อยตัวเห็นไหมมันเลยปฏิบัติยากกว่ากันถ้าใครกําหนดลมให้ใจเฉยเฉยไม่ได้ก็ให้พุทโธพุทโธยังไม่ได้ก็ยัง พุทโธหนึ่งพุทโธสพุทโธหรือไม่ก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยเพื่อสกัดอันแรกนะพวกเรา น, นั่นหมายถึงว่าที่ทํางานทางร่างกายมันพักกม็มีพลังขึ้นมาแต่ทางจิตใจมันไม่เคยพักมันเลยไม่มีพลังไงพักเที่ยงก็ไม่ก็ไ ม, มนะ่พักโดนต่ออาจารย์เองนะอาจารย์ไม่บังคับเนะฟังเที่ยงกันม่บังคับเลิกงานก็ไม่เลิกจริงเขาเลิอกอยู่เลิกงานหนใช่ไหมเขาเลิกแต่ห้าโมงหรือสี่โมงสามโมงเขาเลิกแล้ว แต่มันไม่เลิกขณาดทาอยู่มันก็ไม่มันก็ไม่หยุดไอ้ทำยังไม่ถึงสมเปอร์เ็นนะไอ้สิ่งที่คิดเน่ะพอเราตอบอาจารย์เองสิสิ่งที่ทำมันไม่ใช่สิ่งที่คิดใช่ไหมเออสิ่งที่คิดนต่มันไม่ได้ทำถ้าทําตามน่ะนะไม่ถึงสองวันนะตายเลยนะถ้าทําตามจิตเนี่ยสองวันตายเลยถ้าทำจริงๆเนี่ยเพราะมันไม่หยุดไงเออนี่คือสาเหตุนะ มีปัญญาเนี่ยอาจารย์พูดนะพวกเราเออใช่จริงเราทําได้เนี่อย่างเงี้ยนะหยุดคิดก็จบไปสิอาจารย์พูดเป็นสโลแกนนะคิดมากทุกมากคิดน้อยไม่คิดเห็นไหมทุกคนก็รู้คิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกจําไว้เลยนะลองดูนะเออที่เราทำไมาไม่หาความสุขแค่นี้ยเรื่องความสุขแค่นี้แหละถ้าเราเร า, เราไม่รับ แต่คทุกวันเลยนะทุกวันและทุกเวลาด้วยแล้วมันตรงต่อคําสอนพระเจ้าด้วยแล้วตรงต่อว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยเจอกันไเอาพะพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสารนังกัจฉามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเรานั่ยน่ะนะเออพระธรรมพเจ้าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองที่สามย้ํำอีกต่างหากนะเขาไปเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สามเขาไปเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตั้งสามรอบแต่ยังไม่พึ่งพระเจ้าจริงๆนะนะ ให้มีสัจจะจะทําอะไรก็ประพฤดอย่างไรก็ไม่ได้อย่างสิ่งนั้นจาคักอย่างนี้ยัเหลือยี่สิบนาทีจารักแปลว่าสละนี่สละสิ่งที่เป็นค่าสุดเกีความจริงใจอะไรนะนี่แหละพอจะทําบุญงามความดีก็เล่นโทรศัพท์แล้วอย่างนี้นะะพอทําแล้วก็เล่นโทรศัพท์มาอย่างนี้ไม่มีความจริงใจเลยพวกเราจริงๆแล้วความสุขปัญหาได้ในปัจจุบันนี่นะหาได้จากตัวเรานี่แหละไม่ใช่หาจากที่อื่นเลยนะ เอออาจารย์ถามหน่อยนะขอโทษขอโทษนะเท่าแก่กับลูกน้องใครมีทรัพย์สมบัติมากกว่ากันเท่าแก่มีรถไหมมีบ้านไหมเจอแล้วใครนอนหลับเร็วกว่ากัน <c oughs> <c oughs> เอาละจีลูกน้องเลิกนะเลิกกานห้าโมงนี่กินเหล้าเมายากระช่างนะสองทุม่มหกกลับแล้วนะเขาบ้านอยู่บ้านเช่านะลูกน้องนะ เอออันนี้อาจารย์เอาเรื่องตนจริงมาพูดพอเห็นลูกทุกลูกชิดลูกหาเป็นเท่าแก่ น, นัยนมาก็มาถึงตลานนอนแผ่เลยนะพวกเรานอะโอ้ยอาจารย์มันสงบมันสบายเหลือเกินว่างั้นเอาทําไมล่ะเย่อาจารย์ก็ถามว่าลูกน้องคุณได้เงินเท่าไหร่วัน ล, ละสามร้อยถึงห้าร้อยเขานอนจีดทุม่มสองทุ่มก็หลับแล้วเขามีบ้านไมหมคือบ้านเช่าเขามีรถเหมือนคุณไมหมคือแล้วคุณะได้เงินเท่าไหร่ก็ ค้าขายก็อย่างน้อยมันก็เดือนละสามแสนคือเขาทํากี่เดือนนึงกว่าจะได้สามแสนน่ะนะเขามีความสุขมากกว่าคุณแต่คุณยังมาบ่นวันนี้คุณนอนกี่ทุ่มห้าทุ่มคุณจะทําทําไมคุณจะทําทําไมหลอกจันว่าคุณทําทําไมแล้วทําไม่มีความสุขคุณต้องรู้เป้าหมายสิพวกเราต้องการทุกวันนี้นะพวกเรานะเพื่ อ, อความสุขหมดเลยนะที่จันไล่ฟังมาตั้งแต่เรียนตั้งแต่ทํางานเน่ยนะนะอยากมีภรรยาอยากมีสามีอยากมีทรัพย์สมบัติเพื่ออะไร พูดไปแล้วยังยังไม่รู้เองเลยเนี่นะเพื่ออะไรเพื่อความสุขนะแต่พวกเราสรุปเคยสรุปบ้างหรือยังเคยสรุปแล้วเคยประเมินว่าเอสิ่งที่เราต้องการย่ยจริงคืออะไรคือความสุขแล้วมันสุกกินไหมอย่างเงี้ยแต่อารถามลูกลูกน้องที่เป็นอาเซียนเนี่ยนะแล้วคุณคิดคุณปรุงคุณแต่งเนี่ยนะนะนะแล้วมันได้อย่างที่คุณคิดไหมได้ไหมพวกเรามันได้อย่างที่เราคิดไหม ทำไมไม่ทำเหมือนลูกน้องหรอกได้ต่อไรก็ต่อ น, นั้นสิทํำมันตัวเองเป็นลูกน้องน่นนะห่ะไม่ได้ทําให้มันจนเหมือนลูกน้องหมายถึงว่าคิดคิดอย่างนั้น <laughs> ลูกน้องเขาไม่ได้คิดอะ่ะเขาไมไ่คิดเลยเขาก็ทําตามคําสัง่งเออเหมือนกันคุณก็ทําตามหน้าที่ผลรับนันเน่ยคุณจะไปกําหนดคนเรามันกําหนดผลรับใช่ไหมไปกำหนดกฎเกณฑ์ยิ่งมีลูกมีกําหนดไปหมดหวางแผนเขาไปหมดแต่ไม่เห็นความเป็นจริงสักนิดทําจริงอะไรเราไม่เคยเป็นลูกเออ เราเคยเป็นนุเป็นสามมาไหมอยากจะฟังพ่อแม่บ่นไหมไม่อยากฟังเอา้าเวลาตัวเองเป็นเท่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วทำไมลืมอะ่ะเออแล้วสิ่งที่เราสั่งเขาน่ยมันเป็นอย่างที่เราสั่งทั้งสามเปอร์เซ็นไหมเอาอาจารย์ถามหน่อยนไงเด็กดีมีไหมเด็กดีมีไหมลูกดีมีลูกไม่ดีมีไหมพ่อแม่ไม่สอนเหรลูกไม่ดีอ่ะสอนไหย ก่อนได้ก่อาำความดีใช่ไหมเออเห็นไมแต่ทำไมไม่เป็นอย่างนี้เราแค่นี้แหละแต่เรากลับไม่คิดลองคินะว่ อ, อไอ้ลูกคนนี้ก็เราก็พยายามที่จะสอนเขาเขาก็ไม่ได้ดีได้มันเป็นที่เรารู้เป็นที่เขานะ เ, เหมือนกันเป็นที่เขาเองนะเหมือนกันที่เรานั่นแหละครอบครัวเรามีกี่คนเหมือนกันไหมไม่เหมือนอย่างนี้นะพวกเราที่แหละธรรมะน่นนะเนอะ ทำมาไปัจจุบันนี่เองว่าเออทำไมเราต้องไปกําหนดกฎเจนอะไรต่างๆมันกําหนดมันไม่ได้สักปีสกีส่เปอร์เซ็นต์ทำไมเราต้องไปกำหนดให้มันทุกทําไมเหมือนกับกําหนดนี่แหละกําหนดกาไรนี่แหละจะค้าขายวันนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไปกำหนดกดเจนฑ์แล้วจนนอนไม่หลับพอมอยู่ว่าโอยสบายมีความสุขเอา้าแล้วคนทาให้ตัวเองทุกเราคุณจะทําทําไมอย่างเงี้ย น, นะจะเจอไหมมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราแต่เรานี่เป็นผู้คิดได้นะ อย่าไปเชื่อความคิดวางแผนการได้แต่ว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปยึดตรงนั้นเพราะมันไม่มีอะไรสักนิดเลยนะพวกเราเนอะลองดูสังเกตตัวนะไอ้แค่เดินทางนัง่นคือธรรมะชั้นยอดแล้วจะถึงเวลานั้นจะถึงเวลานี้เนี่ยนะนะคิดเอาเลยนั่นแหละมันจะไม่ตรงหรอกใ ช, ใช่ไหมมันจะไม่ตรงนั่นแหละคือธรรมะ มันจะเป็นที่เราคิดแต่ถทําทไมมันไม่รู้สักทีก็เพราะไม่มีสติไงวางแผนถ้าดบดีโอ้วิวิตุกังวลสารพัดพอถึงกำหนดถึงเวลาที่มันถึงเวลาแล้วนะมันไม่เป็นอย่งที่เราคิดเราไม่มีสติทีเนี้ยพอมันถึงเวลาปั๊บมันไม่เป็นที่เราคิด ม, ม, มั น, มนก่อนเห็นไหมพอมันจะคิดต่อไปนะ่ะนะดูสิเราวิตุกังวลมาเป็นเรื่องเวลาไม่รู้กี่วันเนี่ยนะเพราะเอาข้องจริงไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยอย่างเงี้ยต่อไปพอมันจะคิดนะ เชอะอย่างเงี้เลยนะขอโทษนะถ้าสอนตัวเองนะเชอะขอโทษขอโทษมึงอย่ามาหลอกกูอย่งี้เลยนะพอจะคิดอีกปั๊บเชอะมึงอย่ามาหลอกกูเที่ยว น, นั้นก็มึงก็คิดไม่รู้เท่าไร่แล้วเงี้ยต่อไปเราจะไม่คิดเลยนะเจเนี้ยพอจะหลอกขึ้นไหมเชอะมึงอย่ามาหลอกกูนนี้ทอนตัวเองนะอย่าไปบอกคนอื่นคนอื่นเขาจะว่าเราพูดไม่พราะเนี่ยเชอะกูยังมาหลอกฉันนั่นเนถอะจริงๆนะมึงยังมาหลอกกูว่างเงี้ยเออสารพัดนะที่จะประสบอย่างนี้นะพวกเรานะ นะคือขอโทษขอโทษนะอาจารย์หนึ่งเราสอนตัวเองเนี่ทำสมาธิก็ทำไม่ได้ถ้าคุณทำแค่นี้ทำไม่ได้นะถ้าคุณศึกไปเนี่ยนะนะคุณจะมาหลอกฉันว่าคุณจะทำได้สมาธิง่ายไหมนั่งในในตากแดดไหมไมนได้นั่งตากแดดนะพวกเรานะเดินจากลรงมาเดินในร่มนะนั่งก็นั่งในร่มนะทำไมจริงก็ไม่ทานะ สบาขนา น, นี้คุณยังทําไม่ได้คุณยังมาหลอกฉันว่าคุณออกไปแล้วคุณจะทําได้นะอาจารย์สอนอย่างนั้นนะคุณเป็นพระคุณคิดมันพระจะมีปัญหาไหมพระบินทบาทต้องคิดไหมพวกเราเอ๊จะบินยังไงนะวันนี้มีไหมมีไหมไม่มีนะจะกินยังไงถนะ้ากินข้าวอย่างเงี้ยจะถูยังไงนะถูสลาหนุมีไหมไม่มีเลยนะพวกเรานอะไม่มีเรื่องคิดแล้วคุณจะคิดอะไรอาจารย์สอนตัวเองนะคุณจะคิดอะไรถามมาตอบมา ก็ม่มีเรื่องคิดนี่เพราะมันอะไรไม่ต้องคิดเล ย, เยถ้าคุณอยู่เป็นพระคุณมีความสุขถ้าครูเป็นพระแต่คุณคิดเหมือนโยมน่งคุณทุกข์มากกว่าเขาสองเด้งโยมคิดทําได้ใช่ไหมอยากอยกินข้าวเย็นก็กินได้ใช่ไหมเอออยากจะเที่ยวตรีหาก็ทําได้โยมเขาคิดแล้วเขา ม, มีอะไรกัน้นเราคิดแต่เราทําไม่ได้เราทุกข์คุณจะคิดทีาตัวเองโง่หรือคิดที่ตัวเองฉลาดอาจารย์สอ น, นตัวเองงั้นเลยนะเนี่ยก็ต้องสอนตัวเองบ้างที่ว่าเออจริงๆแล้ว สิงที่เราคิดมันเรื่องเดิมเดิมไมทีเนี้ยมันเรื่องเดิมเดิมว น, ว น, วนๆเดินเวียนนายโยมตอบอาจารย์โมอโอ้โหอาจารย์เรื่องเดิมเดิมมันอะไผมคินมาตั้งแต่เกา่เกาๆนั่นเรื่องเดิมงๆเลยนพูดเราเนอะมีพุทธศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติตามมันเสียดายมากอาจารย์ใช้คำว่าเสียดายเลยนะพูดเราเนอะเสียดายนะอะฟังให้ดีพวกเราตอบอาจารย์แล้วนะว่าเท่าแก่ น, น, น่ะทุกมากกว่าลกน้องแสดงว่าเท่าแกคิดผิดเออทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่เรากําหนดได้ เนะราไปกําหนดกดเจณฑนี่ยไม่ได้เลยนะพวกเรานะพ่อแม่จะชอบกําหนดลูกกําหนดสามีบางคนมาอวดดีกับตัมานะอยากจะบอกว่าตัวเองภาวนาเยอะท่านอาจารย์โยมไปปฏิบัติทำเขาจัดปฏิบัติบวชชีพราหมณ์ที่นั่นที่นี่โยมไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ปฏิบัติแต่กิจโยมไม่สงบนะอาจารย์บอกว่าดีแล้วฉันาว่างี้นะมีพระองค์ไหนจะบอกว่าโยมไม่สงบบอกว่าดีแล้วดีก็ไม่ตบปากอาจารย์ ดีแล้วยมหน้าเสียเลยนาะดีแล้วยมไม่จะงงมัดีแล้วเนี่ยอาจารย์ปล่อยให้เขางงก่อนจะเลยถามว่าจิตใครจิตใครจิตยมจิตเราเอา้าวจิตตัวเองยังบังคับไม่ได้ทาไมไปชอบบังคับสามีละเกินนะชอบไปบังคับบุตรทิดาละเกินชอบบังคับคนงานละเกินหัวเราก้ากเลยนะฮหเอาเลยนะพวกเราเนาะถ้าพวกเราทําตรงนี้ไม่ได้เนี่ยต่อไปเราจะไม่พูดแล้ว ไม่พูดแล้วเขาก็อยากจะทําตามคุณเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาก็บังคับเขาไม่ได้ไงเข้าใจไหมลองดูนะว่าพอมันจะคิดอ้ออเราก็เรื่องเดิมเดิมไอ้พูดไปพูดมามารู้เจอรอบแล้วพูดกับลูกเนี่ยนะเรื่องเดิมเดิมนั่นแหละเห็นนะมจริงจริงเนี่ยบางทีถ้าเราต้องการกลับไม่ได้แต่ไม่ถ้าไม่ต้องการกลับดีนะทีเนี้ยอันนี้เขามีตัวอย่างโยมเล่าให้สมาฟังโยมทุกมากสามีก็เป็น พวกพี่ทําพลอยเก่งหาพลอยเก่งว่งงางั้นเถอะไม่ใช่ทําตัวเองหรอกไปเป็นลูกมือของเพื่อนจับพลอยขึ้นมาจะขายเท่าไหร่แต่รู้หมดเลยตอนเย็นเพื่อนก็มารับไปกินไปเที่ยวว่งงางั้นทุกวันอาจารย์อยู่เมือ ง, งตราดนะนี่นะเมืองปราดตั้งสิบสิบฝีปีนะเมืองเพชรเมืองพลอยนะเมืองตราดนะนะ่ะไอ้ลูกก็กําลังเรียนเรียนมสองมสามบางทีก็ไม่กลับบ้านนะ ทำไงเนี้ยโอ้ทุกมากเลยนะพวกเราเอาหนังสือมาสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์อย่างเดียวเลยสวดมนต์เพื่อไม่ให้คิดนั่นแหละไม่รู้วิธีการภาวนาไงแต่เอาหนังสือมาสวดมนต์เพื่อไม่ให้คิดเพื่อให้ไม่ให้เป็นทุกข์นะอยู่มาอยู่มาอยู่มาลูกสาวจบปริญญาโทสามีก็มาขับรถให้พาไปทําบุญทำผู้ส่วนเนี้เนี้ยใเ น, นี้ยต้นก่อนเข้าประสาในยมากปุ้ยให้จะมาฟัง โยมมีที่ตั้ง500ห้าร้อยไร่แล้วอาจารย์500ห้าร้อยไร่นะเดี๋ยวเมื่อก่อนมีแค่รถปิ๊กอัพคันเดียวจะซื้อให้ขับให้อาจารย์ไปทําบุญเนี่ยนะเดี๋ยวนี้โ่ารถเด้งรถจี๋รถอะไรไเห็นไหมพวกเราแค่หยุดคิดเฉยๆนะลูกไหวไงลงไหมมันเป็นบุญไงที่ธะมาว่าเนี่ยมันเป็นบุญมากไงพันเท่านะัเนี่ะพ่กคิดรู้เถอะเอาวันละพันเท่าพันทำทำบุญวันละพันครัง้งครั้งแล้วว่างัน้นเถอะทำสมาธิเฉยๆหนึ่งนะแต่เขาทำสมาด้วยการสวดมนูลูกว่าไงลงไหม สงสัยเป็นที่แม่สวดมนต์หรือเปล่าเมื่อรู้ทําให้หนูกลับใจเห็นไหมคื อ, อการจัดความทุกข์ที่มันมีด้วยการสวดมนต์นะทําไมต้องสวดทำไมต้องสวด ม, มนต์ให้กําหนดที่เฉยไม่ได้และไม่ได้เพราะว่ามันหยาบมันทุกข์เหลือเกินแต่ทุกวันนี้ก็ความเป็นอยู่ก็ดีหมดนะเนะี่ยอย่างที่ว่านี่นแหละส่วนมากไม่ต้องกําหนดแล้วไม่ต้องเอาแล้ววันนั้นจะ อ, อยากไปไปเลยคุณอยากจะชั่วจะเร็วก็ไปเลยไม่ว่าลูกไม่ว่าสามีอ่ะวันนั้นอะ เ, เวลาไม่ต้องการกลับได้ดีทีเนี้ย ปล่วางนะพวกเราแปลกไหมมันสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเราไงเนี่ยเวลาไปกําหนดมันเหมือนกับผักดันนะเวลาไปบังคับเหมือนกับผักเขาแต่เวลาปล่อยมันมันกับเคลืนมานะแปลกนะพวกเรานะเออให้มีสตตานะจะทํำอะไรก็จริงให้มีสตะสิ่งที่มันทําขัดขวางก็จริงที่ว่านี่แหละความคิดนี่รบกวนเราเราไม่เคยสังเกตดูเลยเนี่ยเพราะวันนี่มันมีลาน้อยเอาเอาแค่พูดถึงเรื่องนี้ก่อน มีสัจจะมีความจริงใจจะทําอะไรจะประพฤติจริงไรให้ได้สิ่งนั้นยังสามาทานจะยัป็นเ่อต้องรักษาจริงๆก็ใช่ไหมเออกานว่าให้ทานก็ให้ทานจริงๆอย่าเสียแต่น้อยคิดโดูได้มากมันไม่ถูกไม่ใช่คํำสอนของพระพุทธเจ้าความโลภมันเป็นอกุศนลมูลความโกรธพยาบาทปองร้ายเขาน่ะมันเป็นอกุศนลมูลความไม่รู้ลงไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่ยนะเนี่ยอย่างตามความเป็นจริงที่ว่าเนี่ยนะเออเราคิดไม่รู้กี่ครั้งกี่อย่างกี่แผนกี่ กี่าเรื่องแล้วเนี่ยที่เราวางแผนไว้ไม่เป็นอย่างที่เราว่าสักนิดหนึ่งเนี่ยทําไมไม่คิดสักทีนะอย่างงี้ยเราทำไมเราไม่รู้สักทีนะอย่างงี้นะอันนี้มันหลงนิวายอย่างงี้ย น, นะพวกเรานะนะปัญญาแล้วก็สละละจากไอสัจจ์กิงใจแล้วก็จากคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกความจริงใจเนี่ยนะความวุ่นวายต่างๆ่เนี่ยนั้นได้เกิดจากเนี่ยนะ กริง ๆ, ๆลําพังนะแขกไม่มานี่ะนะ แ, แขกก็คืออารมณ์นะพวกเรานะถ้าพรกเราต้อนรับเขาดีเขาก็อยู่นานนะใช่ไหมแต่ว่าต้อนรับดีขนาดไหนเขาอยู่ไหมไม่มีใครอยู่กับเรานะแต่ต้อนรับเขาดีขนาดไหนเขาก็ไม่อยู่แขกก็คืออารมณ์แต่เดีวนี้ไม่ใช่ต้อนรับอย่างเดียวนะแขกไม่มาก็ไปเชิญแขกมานะ <c oughs> ใช่ไหมไปเชิญแขกนะเนี่ยเี่ย แขกนั่นน่ะเนี่ยนี่เราคือแขกไปเชิญแขกมาเขาไม่มาก็พิชเชิญเขามาให้เห็นว่าแขกก็คืออารมณ์ถ้าเราไม่ต้อนรับนะอาตมาก็จะชอบพูดบ่อยนะโยมมาฮาตมาเนี่ยอาตมาก็จะแสดงให้ให้เขาเห็นเหว่า ง, งันเถอะมีลายโยมจะถวายสักการะถว่ายก็ถวายสิจะถวายมาเอาเราพรถาว่าโยมจะมาอีกไหมไม่มา มาพูดเป็นปริศนาธรรมถ้าอาจารย์ต้อนรับดีนะเขาก็มาอีกแต่กันดีหรือไม่ดีก็ไม่มีใครอยู่กับปตมาใช่ไหมเออนั่นแหละคําว่าต้อนรับอารมณ์มัคือพูดมีคิดไงมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ฉันไม่เป็นอย่างนั้นฉันไม่เป็นอย่างนี้นั้นแหละถ้าเราไม่คิดทุกอย่างไงนนะเมื่อกี้ก็คุยกับโยมอยู่เลยเออคนใจลอยรู้เรื่องอะไรไหมคนใจรรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้เขามีตาอยู่ไหม ตาหูจหมูกเขามีหมวนใจเขาก็มีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเปล่าไม่มีจิติเขาไม่ได้ใส่ใจเขามีโมโนภาพเขาคิดเรื่องอะไรอยูน่น่ะเขาเขามีโมโนภาพของเขาเข้าใจไหมเราก็ทําก็เหมือนกับคนใจลอยสช่เข้าใจไหมเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้คิดไม่ให้ความสําคัญเลย เห็นอยู่วะงั้นเธอจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่ความสําคัญไม่ได้ไปนั่นไปนี่ไม่ต้องมันไม่ต้องวิพากควิจารนวะงั้นเธอะก็เหม hmm. ือนคนจะลอยน่ะคนจะลอยจะไม่มีอารมณ์เลยแต่ว่าเราไม่เหมือนเหมือนจะไม่เหมือนคือเห็นอยู่ไม่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปบอกว่าโอ้ไม่สวยไม่ไม่สวยไม่ต้องไปคิดเสียงอะไรก็เหมือนกันไม่ต้องไปตกแต่งให้อยู่เฉยมันรับแขกก็รับเฉยอย่าไปยินดีกับแขกที่ดีอย่าไปยินร้ายแขกที่ไม่ดีแขกที่ดีกับไม่ดีไม่มีใครอยู่กับเราคืออารมณ์นะ ก็ไม่มีใครอยู่กับเราเลยนะอารมณ์อ่ะนะจะดีขนาดไหนก็ช่างอ่ะนะก็จะไม่อยู่กับตรงนี้เออมาพูดให้โยมฟังอยู่เมื่อเช้าเนี่ยมาพูดบ่อยนะ อ, อารมณ์นะทะเลาะ ก, กันอยู่นี่จะเป็นจะลายทะเลาะ ก, กันแบบจะลงไม้ลงมือแล้วแหละเขามาบอกว่าป้าป้าป้าถูกหวยเห็นหรืป้าถูกหวย <laughs> สามแสนหายโกรธไหม <laughs> หายโกรธไหมเรา หายกรดทาไมอะ่ะทํั้งๆที่มันแรงบนแรงอ่ะนะก็จิตไปอยู่ที่นู่นไงไปจิตอยู่กับเรื่องดีไงขายเฉยเลยื อ, อฝากไว้ก่อนเธอทุกคนแล้วกลับมาทะเลาะใหม่วันหลังไม่ทะเลาะหรอกขายเข้มไหมพูดเรามันคือแขกเองแต่ถ้าเราไปต้อนรับมันก็อยู่นานไงหมายถึงแขกดีกับแขกไม่ดีนะอย่าไปต้อนรับเขาว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดีอย่าไปต้อนรับเขา นะสักพักก็ก็มีมาเนะ่ะแขกก็มีอยู่แต่ว่าไม่รบกวนอะไรเราเลยเข้าใจไหม <S <S แค่นั้นเองนะเรื่องที่มันเกิดอยู่เนี่ยแต่ไม่เห็ น, นมันคืออะไรนะงงไหมพวกเรางงไหมนะสละที่นี้จาฆ่าสละสิ่งที่เป็นค่าสื่อความจริงใจเอออะไรเป็นค่าศึกไม่ใช่สละอันคําว่าจา่าฆ่าไม่ได้หมายถึงให้ทานหนึ่งเดียวนะพวกเรานะจา่าฆ่าในที่นี้หมายถึงสละนะ สละอารมณ์สละอารมณ์ฝ่ายตามสละความคิดไม่ดีนะนั่นแหละสิงนี้จริงไม่ดีมันของเก่าของเดิมต้องรู้เหตุรู้ผลด้วยว่างนั้นเธอรู้เหตุรู้ผลเราสละได้เออมันขัดขวางเราในสิ่งเรานี้อย่างเงี้ยน่ะแทนที่ว่าจะตั้ง อ, อกจังใจทํำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ทําเนี่ยมันไม่ค่อยมีสัจจะ ก, กับตัวเองเงี้ยน่นะเออสละไอ้อุปสมะสงบใจจากอารมณ์ที่เป็นข้าสึกุความสงบ อะไรมันรบกวนเรานี่ยนะความคิดที่มันไร้ผลนะความคิดที่มันไร้ผลที่พวกเราต่อประจันเนี่ยนะมันเป็นอย่างที่เราคิดทุกอย่างไหมสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างที่บอกอายุมากแล้วนะ่ะหกสิบเจ็ดสิบแล้วเนี่ยจะคิดอะไรจะต้องคิดอะไรอีกพวกเราเอ้ยยี่งิบแปดสิบเก้าสิบทนที่มันจะหยุดคิดแล้วนะทําอะไรได้ไหมแปดสิบเก้าสิบเนี่ยแต่ก็หยุดคิดไหม อย่างนี้นะก็คิดไม่ได้ไงคิดไม่ได้เราคิดทาไมอย่างงี้เนอะแปลกไหมเอามาเจอหลวงพ่อหรือหลุงปู่เขาหมดก่อนจะมานะั้ะแต่เขายังไงก็ไม่รู้นะับถือจะมาท่านอาจารย์อย่างงี้แบบคางบั๋มเลยเนอะท่านอาจารย์อย่างนี้เลยเนอะท่านอาจารย์ยนะอาารยโอ้ยผมเนี่ยตกนรกเหมือนเดิมแล้วทำไมละ่ะหลวงปู่ มันชิดนะอาจารย์ว่างั้นมันคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดตั้งแต่บ้านเก่าเนอะนะแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มมันวนวนเวียนเวีนอย่างนี้ว่างั้นสลับไม่ออกจาร ก, ก็งงเฮ้ยแทนที่ว่ารับรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความทุกรับมาหมดแล้วทํำใจนี่มันจะเบื่อจะไหนทำไมทําไมเขาไม่เบื่ออย่างนี้นะงงไหมพวกเราแปลกไห ม, ไมไฮะมใช่ใช่ขอบคุณนะขอบคุณ ใไม่ได้ฝึกไม่ได้สังเกตไงให้เด็กในที่แทนที่ว่าจะรู้เร็วใช่ไหมเออไอไอไอผู้ใหญ่นะี่ยนะผ่านประสบการณ์มันก็จบแล้วไม่เอาแล้วไม่คิดแล้วแล้วคิดเราทําได้ไหมเดี๋ยวนี้อยากไปเต้นแรงเต้นกลางมันเด็กได้ไหมหรืออยากจะวิ่งอยากอะไรมันเด็กไม่ได้แเราเราคิดทำไม <laughs> ไม่มีความสงบเขาเรียกว่าอุปสมะสงบใจจากอารมณ์ที่เป็นข้าสึกแก่ความสงบ ปัญหาต่างๆจบๆๆเพรเพราะเพรว่างั้นมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกนะคิดฟุ่มเฟือยขาดทุนมาจะว่าขาดทุนนั่วเรานอะขาดทุนฟุ่มเฟือยนะคนไม่คิดนะเออคนเครียดกับคนที่ไม่คิดนะคนเครียดจะแก่เร็วกว่านะเออคนเครียดจะแก่เร็วนะคนไม่เครียดไม่แก่นะ ลองดูนะพวกเรานะใครที่จะจะรอความแก่นะี่ะไม่ต้องไปทําอะไรนะไม่ต้องไปหาเครื่องกระทินผิวหรอกอยากจะชะรอความแก่อย่างนี้ให้ผิวพันธ์ดีเนี่ยักแค่รักษาจิตฉะนั้นนะนะออผ่องใสเนี่ย น, นะไม่อยากบอกไม่อยากชี้ห อ, อบางคนทําไม่เคยพอทำสมาธินี่ย น, นะเปลี่ยนหน้าเลยนะหน้าก็เปลี่ยนก่อนที่ทําไม่ทำสมาธินี่ดูนีหน้าบูดหน้าเปรี้ยวหน้าไปไหนก็ไม่รู้แต่พอทําสมาธิเอาคุณเป็นพู้เป็นคนขึ้นมาบ้างนี่นะจริงไม้มพวกเรา นี่คือคําสอนพุทธเจ้านะไม่ใช่อาจารย์พูดเองนะเออแล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่ยนะที่พวกเราจะทานคือบาอาจารย์ที่สายป่าน น, นะ mm. ก็ไม่ใช่ว่าดีกว่าคนอื่นหรอกแต่ว่าท่านน่ะจะอยู่กับความสงบเป็นใหญ่งไงเดินเดิ น, ดนกลมนั่งสมาธิดื่นกลมนั่งสมาธินอนจริงจริงนอนสีนะ ช, 6, ชั่วโมงนะพุทธเจ้าให้ทำหกสี่ชั่วโมงนะไม่ได้หมายถึงว่าอาจารย์ของพุทธเจ้ามาพูดนะพวกเราก็ทําอย่างนั้นนะเออ เราก็ทํางั้นนะอาจารย์ต้องตื่นตีสามนะลูกศิษย์ต้องตื่นตีสองกว่าหรือ ว, ว่าตีสองนะ่ะมาจากอัสนะนะตีสามนที่วัดอาตมาเนี่ยนะนั่งถึงตีสี่สี่สิบห้ามันสว่างเร็วถ้าหน้าหนาวก็จะตีห้าสิบห้าตีห้าสามสิบสองชั่วโมงครึ่งบ่ายโมงก็นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ยถึงสามโมงหมายถึงทั้งบ้าทนทั้งวัดเลยนะทั้งมีชีแม่ขาวทั้งพระตระกูลมานั่งสมาธิแล้วตอนเย็นก็ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มอันนี้คือส่วนรวมนะ ไอ้ส่วนตัวสมัยตอนยังไม่มีภาระเนี่ยโอ้ยนั่งทั้งคืนเออไม่มีอะไรทําเลยทําอะไรใช่ไหมกิเลสทุกวันนี้ก็ไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้เออไม่มีกิเลสแต่ทุกวันนี้นี่โอ้ยตายแล้วพวกเรารู้ไหมว่าใครบวชทุกวันเนี้ยใครบวชรู้ไหมคนแก่บวชนะท <c oughs> <c oughs> ี่วัดจำมาเลยโอ้โหคนแก่หกสิบปีเจ็ดสิบปีบวชเละนะร่างจะมาหกวอกภาษาก็จะสื่อแค่ไหมเนี่พวกนี้ยันนึกว่านะี ขนาดแกปัณิยังจะศึกอยู่หรือยังงงอยู่นะพวกรนะแกจปะปัณิยังจะศึกอยู่หรือเนี่ย จ, จะจะศึกไปทำอะไรศึกไปทำธุระเอายังไม่เสร็จเดรอจปะปัณีเนาะศึกไปทำธุระว่างันอายจ็ิบกว่าปีเนี่ยนะจะไปทำธุระไปทำอะไรอีกนั่นน่ะโอ้ยมันน่าอาัศาจรรย์เลยพี่น้องพวกเราก็ยัเหมือนกันนะถ้าพวกเราไม่ผลผลนโปรเมเนาะอธิษฐาน ถ้ามืเวลาน้อยถ้าวันหลังก็มีนะเยอะแยะของจำรองประจานเน่ยนะพูดในพวก็เข้าใจได้เลยนะอธิษฐานไม่ใช่นะอยธิษฐานไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอธิษฐานทำแปบลบว่าทำที่ควรตั้งไว้ในใจให้มีปัญญาก็ในนายศึกษากับครูบาอาจารย์เนี่ยนะมันหลากหลายเหมือนฝรั่งเขาปรึกับประจารนเนี่ยนะฝรั่งมาพักที่วัดประรามเก้าอาจารย์ก็พูดเนะี่ยเขาก็เขาก็เอกใจว่าเออว่าไงเขาอุดทานออกมานะว่าเออประเทศไทยเนี่ยมันดีอย่างนี้เนาะว่างั้น ทำไมมีครูบาอาจารย์พูดหลากหลายว่นั้นคือเขาไม่ได้เคยยี้ยินที่จาลักษณะพูดอย่างนี้ไงเออมีครูบาอาจารย์ให้ขบายหลากหลายวั้นเขาเขาก็าาตื่นนัเนอะเนะ่ยจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ก็หลายสไตล์หลายนั่นอมาพูดแบบชาวบ้านพูดแบบตื้นๆเนี่ยนะสมาไม่ใช่มีคุณมีปัญญามากแต่พูดสิ่งที่พวกเราเป็นนะอะฟังให้ดีนะสมาธิก็คือคิดมากทุกมากคิดน้อย ไม่คิดนั่นแหละไม่คิดนั่นคือสมาธินั่นนะก็คือไม่ไม่คิดก็คือแค่ไม่ทุกข์ก็ยังไม่รู้เลยแค่นี้นั่นนะฮะไม่คิดก็คือไม่ทุกข์แค่นั้นเองอะนะพวกโรคประสารนี่ยพวกคิดมากก็จะไหมแล้วพวกเราไม่ต้องคิดหรอกว่าไม่ไม่รู้นะพวกเราจะต้องรู้อะไรอายุจนป่านนี้นะจะต้องรู้อะไรอีกเหอจะต้องหาอะไรจะต้องรู้อะไรอีกมันจบแล้ว ขออีกเล็กนิดหนึ่งมาถามโยมนะเอาตอนเราเป็นเด็กเนี่ยนะยังไม่ได้เรียนหนังสือนะ่นะกับตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าเราเรียนหนังสือเข้ามาหลาลัยแล้วเนี่ยนะใครมีความรู้มากเอากันตอนเป็นเด็กหรือว่าตอนโตแล้วใครมีความรู้มากกอากัน<อ>แล้วใครทุกมากกว่กันเอาแปลว่ายัางไงเนะี่ยะโตเรามีความรู้ ยิ่งไปรินยาเอกนั่นแหละกับเด็กกันนะใครมีความสุขมากกวากันเด็กเขายังไม่มีความรู้เลยแต่เขาไม่ได้ทุกข์เขาผูกกรดไหมเขาไปยาบาดไหมเขาโลภหลงไหมเราทําหน้าที่เฉยๆนะจะทําอะไรก็ทําหน้าที่เหมือนกับเด็กนั่นนหละมันจะมีความสุขเหมือนกับเด็กนั่นแหะเพราะเราไม่ผูกกรดอะไรเลยนะเพียงทำหน้าที่นั่นนะแหละแต่ความรู้เรามันมีแต่ว่าใจเราทําให้มันเด็กไงเข้าใจไหม เ, ออ เ, ออเด็กเขไม่ผูกโกรธเขไม่ทุกข์ไอ้ที่เรามีปัญญาแท้ๆแต่ทำไมเราทุกข์อย่างนี้นะนะเขาจะไปมีปัญญามากกว่าเขาก็ตัวเรานั่นแหละเราจนไม่เรียนไม่ทุกข์ขนาดนี้นะอย่างนี้นะอันนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ยี่ทุกข์มาก